ฟังที่ครบคะ่ะท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมสนาสนทนา<ม>ที่ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติในห่วงเวลาที่เริ่มต้นมีการเฉลิมฉลองพุทธชยันติอย่างเป็นทางการนะคะคือที่ท้องสนามหลวงก็มีนิทรศการใหญ่ทั่วประเทศรัฐมนตรีมหาไทยก็ได้สั่งการให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็มีงานวิสาขาบูชาโลกทราบว่าปีนี้มีพระสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธหลังไหลายจะทั่วโลกมาถึง99ประเทศกันเลยทีเดียวค่ะส่วนรายการนี้อยู่ที่นี่แหละค่ะประเทศไทยสถานีวิทยุนี้อยู่ในเครือข่ายของสททเราก็ยืนหยัดที่จะพูดถึงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นรายการแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องตลอดทั้งรายการจนถึงวันนี้ เรปฏิบัติธรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาพบกั บ, รบพระพิบูลอภิปุณโณจากวัดปาดอนไฮโศกอุดรธา น, นีกันต่อคะ่กะการนมัสการกับท่านคะเชนพานค่ะเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพูท้ทวจนะัจระเริ่มต้นด้วยบูชาพระพุทธเจ้า พ, พุทธเชียนติก่อนเลยนะค ะ, ะวันนี้ต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่าการให้ทานสักนิดหนึ่งที่ว่าเราให้เอาทานไปให้ประสงค์ให้วัดให้พระพุทธเจ้าบางคนทำมาหากินเอาบริจาคทานอย่างนี้นะ จนกระทั่งมีประเด็นที่บอกว่าบริจาคทานมากเกินไปจนทั้งไปกู้หนี้มาบ้างครอบครัวเดือดร้อนบ้างแตนะ่พระเจ้าก็เคยมีคนมาโจทย์พระเจ้าในประเด็นนี้เหมือนกันแตนะ่ว่าทำไมมีคนมาบอกว่าเป็นผู้ทําลายสกุลด้วยการรับทานของคนอื่นอย่างนี้ไม่ถูกนะ น, นะครับนี้นะซึ่งพระเจ้าก็ยืนยันว่าที่พระองค์รับทานเนี่ยรับการถวายทานเนี่ยนะไม่ได้ทําให้สกุลใดเนี่ยเดือดร้อนเลย แล้วก็ได้ตรัสถึงเหตุที่ทําให้สกุลต่างๆเนี่ยจะถึงกับความล่มจมไปสมมติตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมลูกหลายๆคนหน่อยอย่างเงี้ยคุจะทําทานในพุทธศาสนาในธรรมะในนี้ได้เนี่ยไอการให้ทานตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหตุให้สกุลนั้นเสื่อมไปได้แต่เหตุที่ทำให้สกุลเสื่อมไปได้มีอะไระพระเจ้าเคยตรัสไปตรงนี้ 1. เพราะว่าภัยจากราชภายัยคือไปจากทางราชการบางทีทางราชการยึดทรัพย์หรือทางราชการทําอะไรอย่างนี้นะอันนี้ข้อที่1 นะข้อที่2นะตระกูลถึงความขาดสูญเพราะโจรไผ่ภนะัยจากโจรนะมาปล้นบ้านปล้นฆ่าะอะไรย่างนี้เราก็เคยเห็นกันอยนู่นะอันที่3ามเนี่ยไผ่นะถึงตระกูลถึงความขาดสูญเพราะว่าไฟไหม้อา ก, กีไผนะ่ไฟไฟไหม้นี้เราก็เห็นกันอยู่นะสนามคองเตยเมื่อหลายสิปีที่แล้วนะอันที่4ี่นะตระกูลถึงความขาดสูญเนี่ยเพราะอุทกกรนะพายไผ่เจอกเกิดจากน้ําท่วมนะเราเห็นอยู่เลยเมื่อปีที่แล้วน้ําท่วมจนหมดตัวก็มีนะโรงงานพังไปเลยก็มี นะหรือซึนามิที่ผ่านมาในะครอบครัวต้องครอบครัวหายไปเลยก็มีนะอันที่หนะ้าในพระเจ้าบอกว่าตระกูลถึงความขาดสูญเนะี่ยเพราะว่าทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่หนะมายความว่าเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยหายหา ย, ห, ายหรือบางทีซื้อหุ้นไว้อันนี้จะเป็นข้อที่6นะเพราะว่าการงานวิบัติเพราะบริหารไม่ดีนะีตระกูลถึงความขาดสูญเพราะการงานวิบัติบริหารไม่ดีนี่คือข้อที่6อันนี้คือกรณีที่ว่าคุณให้ทานเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จักที่จะประมาณ ทำให้การบริหารของคุณต่างหาที่ไม่ดีทําให้ตระกูลกุลเสื่อมเสีย <Okay. S 1> นะแต่ว่าทานที่ให้ไปจะมีผลแน่นอนนะแต่บางทีถ้าเราไม่รู้จักบริหารให้ดีนะข้อที่6เนี่ยพระเจ้าบอกว่าตระกูลถึงความขาดสูญเนี่ยเพราะการงานวิปัสยเพราะบริหารไม่ด <Okay. S 1> ีการงานบริหารไม่ดีเราต้องรู้จักแบ่งใจทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์ไหนเก็บไว้ทรัพย์ไหนให้ทานนะตามลําดับขั้นตอนว่าอ ย, ย่างไงอย่างนี้นะและ <Okay. S 1> ้วข้อที่7จนะ็มีบุคคลที่เป็นแกะดำํำนะลูกไม่ดีเกิดขึ้นในตระกูลไอ้พวกนี้ล้างผลาแน่นอน เราเคยดูหนังดราม่าหลายเรื่องเลยเพ่อมาจากเมืองจีนทำธุรกิจใหญ่โตมีลูกช่วยเหลือพอหลานเป็นแกะดำขึ้นมาตัวเดียวสกุลล่มสลายหมดก็มีนะแล้วก็อันที่แปดก็เพราะว่าความไม่เที่ยงเนะี่ยเพราะว่าความไม่เที่ยงของสารสกุนี้ทําให้มีความเสื่อมไปแห่งสกุลได้นะครบท้วนกระบวนความเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยถ้าคุณรู้จักบริหารจัดการอย่างดีไม่มีทางทําให้สกุลคุณเสื่อมเสียได้ไม่มีทางวิบัติไม่มีทางล่มจมได้มีแต่จะเจริญขึ้นอย่างเดียวค่ะ อันนี้พูดเรื่องนี้มาเป็นพุทธิยานตีเพราะว่าบางคนอาจะจะใช้เหตุปัจจัยนี้ในการที่จะถวายทานก็คิดถึงระลึกเรื่องนี้ให้ให้ถูกต้องแล้วกันว่าควรจะถวายทานอย่างไรไม่ให้ล่มจมคืออย่างไรก็ตามการถวายทานไม่ล่มจมแน่แต่เพราะว่าการบริหารงานของเราต่างหากที่ควรจะต้องทําให้ดีถึงจะทำให้สกุลของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่ล่มจมค่ะถ้ากับว่ า, วาตัวของผู้จะบริจาคทานนั่นแหละต้องประมาณตัวเองชว่ามีความสามารถในการบริจาคแค่หไหนใชคะ ส่วนพระพุทธองค์หรือว่าพระสงฆ์นั้นก็มีแต่ต้องเมตตารับทานที่คนเขาถวายเพราะเจตนาของเขามันเป็นกุศลของเขาที่ถ้าเราปฏิเสธเขาก็จะไม่สามารถสำฤทธ์ตามกุศลอานี้นะคะใชะ่คือคนที่มีเจตนาคือหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยนะคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันเปนั้นเขาให้เราก็รับนะว่าให้เราก็รับอย่างให้ทานที่ไม่ประณีตอย่างนี้ เราไม่ได้ใช้เราก็อนุเคราะห์รับไว้อย่างนี้ก็มีอ๋อค่ะไม่ป็นหนี้หมือนเาเมื่อไงกันไม่ประณี้อย่างเช่นว่าคือของที่เราจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนถังถังสังกทานที่เขาซื้อตามร้านเนี่ยนะะถังร้อยกว่าบาทบาทเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าบาทสอง้อบาทเนี่ยนะข้างในมันไม่มีอะไรที่มันจะกินได้เลยคุณ <c oughs> คุณโยมติวเข้าใจไหมข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันกินไม่ได้น้ํามันก็มีกลิ่นแฟบก็กินไม่ได้แต่ถ้าเอออันนี้ฉันไม่เอาหรอกเธออยากเอามาให้ฉัน พูดอย่างนี้ไม่ได้เลยในชะว่าเราเป็นผู้กีดการทานน ะ, ะแล้วก็นุเคราะห์ใช่ไงานเราก็รับเอาไวา้นะคะอืมแปลว่าหากจะถวายแล้วให้ของที่ท่านถวายนั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดพ อ, อสมควรเพื่อที่จะได้เป็นทานที่ประนีเนาะนะคะอันอันนี้ดีฉันพูดเองก็แล้วกันนะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยเหมือนเราให้ของคนน่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางคนนี้ทําไมรับของไปแล้วไม่ใช่ mm. บางคนไปติดตามดูแลโกรธ ด, ด้วยนะคะทํำไมไม่ใช่ของฉัน <S <S แต่จริงๆแล้วคนรับเนี่ยเขาใช้ไม่ได้ออื mm. ของเราอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้อะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องทานที่ถวายกับพระสงฆ์โดยเฉพาะเป็นเรื่องถวายกับพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างที่จะทําให้เรามาใช้ปรับประยุกต์ กับวิถีชีวิตของเราที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องอยู่ในแวดวงที่มีประสงค์ที่เราต้องทำบุญด้วยพร ะ, ะอาจารย์คะทีนี้ในวันนี้เรายัางค้างค่ะกันบ้านเมื่อวานนี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องธรรมะที่จะจัดการเกี่ยวความเครียดแค้นทั้งหลายไหมคะ อ, อ๋อเรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราเห็นคนที่มันมันหยาบหนามากชั่วช้าลามกมากแล้วเรามีความอัดอั้นตันใจ นะอิดหนาระอารังเกยียจไอ้เจ้าคนพวกนี้เนี่ยเราจ ะ, ะจัดการกับไอ้ความไอ้อารมณ์นี้ที่อยู่ในใจของเราได้อย่างไรวิธีอย่างไรถึงที่ว่าปลดปล่อย อ, อย่างถูกต้องที่สุดนะคือคนส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยวิธีที่ว่าด่ามันกลับนะโพสขึ้นอินเทอร์เน็ตเอาความชั่วองมันมาแฉแล้วก็ถ้าเง่าหัวมันอยู่ที่ไหนคุณเอามาด่าให้หมดนะเป็นลนักษณะีคุณเอาบาปของเขามาแล้วอย่าลืมนะ ค, คุณเอาบาปของเขามาใส่หัวตัวเอง อย่าทำเช่นนั้นอะะเอาจริค่ะเอาเอาก็ใช่สิคือหมายว่าถ้าเราขุดรากเง้าเขามาด่าใช่ไหมคือเราเห็นคนชั่วคนหนึ่งมันชั่วจริงจคือเราจัดนิทรรศการให้เขาเท่านั้นเองนะคะเอาความชั่วคนอื่นมาเปิดเผยให้ปรากฏเนี่ยเป็นอสัต์บุรุษค <c oughs> ่ะอ่าคือถ้าไม่ถามไม่ต้องพูดถึงเลยความชั่วคนอื่นนะ่ะถ้าถามเจาะจองถามเฉพาะหน้าถามอย่างตอบลีกเลี่ยงไม่ได้พูดนิดเดียวนี่คือสัตยบุรุษนะนี่คือคนดีจะพูดอย่างนี้นะ ถ้าคนคนไม่ดีก็จะพูดยังไงไม่ได้ถามนะเอาความชั่วคน อ, อื่นมาแฉนี่ไม่ได้ถามแล้วก็ถ้าถามในรายละเอียดปุ๊บบอกหมดโอ้โหชนิดที่เรียกว่าไอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็เอามาพ่วงด้วยอย่างเงี้ยนี่คือคนชั่วเราก็ชั่วด้วยถ้าเราทําอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นพอจะเราเจอคนชั่วสักคนใดคนหนึ่งที่มันชั่วถึงขนาดที่ว่าเข้ากระดูกดําของมันนะแล้วเรากา็รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับไอความชั่วของมันนี้แล้วถ้าเราทำบาปนะแค่คิดนี่เราก็บาปพอแรงแล้วนะ คุณจำติวนี้เอาไหมแล้วถ้าเราไปทําด้วยด้วยการด่าเขาก็ตามด้วยการเอาข้อความโพสขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ตามแใน Facebook ก็ตามหรือว่าอยู่ในทวิตเตอร์อะไรต่างแล้วเพื่อแชฉความชั่วของมันเนี่ยนะคุณก็ช่วเขาด้วยคุณเอาความเลวของเขามาแบ่งเข้าจิตตัวเองแล้วรู้รู้รู้รู้ตัวหรือเปล่าคนบอกว่าถ้าอาจารย์พูดอะไรอยู่เนี่ยคนชั่วเนี่ยถ้าเราไม่บอกคนอื่นให้เขารู้ว่าชั่วคนอื่นเขาไม่รู้ต่อไปคนนี้ก็ทําชั่วได้ต่อไป ก็จะต้องมีคนได้รับผลกระทบจากความชั่วของคนคนนี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องบอกคนอื่นสิ่งท totally ี่เราต้องบอกคนอื่นต่างหากคือวิธีดูความชั่วของคนแต่ไม่ใช่ไปแชรว่าใครชั่วตรงไหนเพราะว่าคนที่ชั่วตรงไหนกบางทีเขากลับตัวได้สมมติว่าวันนี้เขาชั่วพรุ่งนี้เขาเกิดว่าวันนี้เขาเกิดไปเจอลูกตายลูกตัวเขาเองตายเขากลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เราเอาความชั่วของเขาไปแชรคุณนี่ชั่วมากจริงเลยนะที่เอาความชั่วของเขาไปแชรเพราะเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วคุณไม่รู้ค่ะเอาอย่างีี้ก็มนะ เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องช่วงคนอื่นอย่าไม่ต้องพูดหรอกแล้วถามว่าไอ้ความอัดอั้นตันใจที่อยู่ในจริ ง, งเราเอาออกยังไง <Okay. S 1> อันนี้มีอยู่หาวิธี <Okay. S 1> <laughs> วิธีที่หนึ่งก็คือว่าถ้าทําสิ่งใดแล้วเกิดคือคิดเรื่องไหนแล้วมันอกติสเกิดขึ้นนะให้เลิกหรือเปลี่ยนเรื่องที่จะคิดนั้นซะ <Okay. S 1> นะเลิกหรือเปลี่ยนเรื่องที่จะคิดนั้นซะสมมติคิดถึงไอ้หมอนี่แล้วจิตใจมันว้าวุ่นมันมั น, ม, น, ม, นมันโกรธมันเครียดแค้นคุณไปคิดเรื่องอื่นซะ <Okay. S 1> คุณไปคิดเรื่องอื่นซะ นะก็คือเปลี่ยนนิมิตนะคือนิมิตเนี่ยมาถึงเครื่องหมายถ้าเราเห็นเครื่องหมายที่แล้วเราเราจีด๊ดเราคุณก็ไมดูเครื่องหมายอื่นซะแค่นั้นเองนะอันนี้คือวิธีที่1นึถ้าไม่ได้มีวิธีที่สองนวะวิธีที่2ก็คือให้เห็นโทษของอกุศล น, นั้นนะให้เห็นโทษของอกุศล น, นั้นคืออกุศลที่เกิดในใจของเราเนี่ยนี่ที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการกุญยโยมติว่วก็คือให้เห็นโทษของอกุศล น, นั้นคะ่ะนะ ให้เห็นโทษของอกุศลนั้นในใจว่าโอ้ถ้าเราทําความช่วนะเราก็เป็นชั่วกับมันไปด้วยนะเราก็เราก็จะต้องคอยระวังความชั่วในใจของเราตรงนี้เราเองที่จะไม่ดีนะเราเห็นโทษของอกุศลนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเ ป, ปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับชายหนุ่มหรือหญิงสาวเนี่ยชอบที่ชอบการแต่งตัวนั้นะปรากฏมีคนเอาซากสุนัขซ า, ากคอของเหม็นเม็นาแขว น, น, น, น, น, น, นที่คอเนี่ยก็จะจะ ข, ข, ขยักขยัง่งรีบถอดออกไปเข้าใจไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ก็เอา เอาไอ้ตรงนี้ออกจากจิตของเรานะถ้าถ้าเราเห็นโทษของเขานะเห็นโทษของความชั่วเราก็รีบเอาออกนะหรือว่าถ้ายังแก้ไม่ได้นะถ้าแก้ไม่ได้ทํำยังไงนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้เลิกทําสิ่งที่เป็นอคุส น, นะจ๊ะไปคิดเรื่องอุศนก็ได้นะอย่าไประลึกถึงสิ่งที่เป็นอคุศนนั้นอันแรกนะ่ะคือเรื่องของนิมิตนะที่พูดถึงตอนแรกสมมติเราคิดถึงบคนนุคคลนี้แล้วเกิดความโกรธขึ้นในจิตของเรางั้นเราไปคิดถึงบคนะุคคคคคลออออออืืืื่่่่่่นนนววาามมมกกกรรร็็ีีีีหัททูดเส้ ให้เห็นโทษของความโกรธที่อยู่ในจิตของเรานะจริตของเราจะละไดนะ้หรือถ้ายังไม่ได้เลิกละเลิกซะนะเหมือนคนที่มีตาเนี่ยไม่ต้องการมองอะไรก็หลับตาซะเนะช่นเดียวกันเราจริตเรามีความโกรธปุ๊บเนี่ยเราก็ละความโกรธนั่นในจิตซะอย่าไปอย่าไปทําอย่างนั้นให้เราทรงไว้ซึ่งอุเบกขาซะนะถ้ายังไม่ได้ผลนะให้มองแง่อื่นนะคือปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นนะคือสมมุติว่ามีคนชั่วอยู่ในบ้านเมืองเนี่ย เออก็ดีละตำรวจจะได้ทํางานเรามองอย่างนีดีอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าก็ดีละเราจะได้ฝึกที่ซําจิตถ้าเราเป็นคนดีอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะนี่คือถ้ายัายงยังไม่สามารถวางความโกรธที่อยู่ในใจได้นะหรือวิธีที่5ก็คือหักดิบกันไปเลยนะหักดิบไปเลยหักดิบนี่คือทอํายังไงพุณเจ้าบอกว่าให้ขบฟันด้วยฟันสวดเพดานด้วยลิ้นขมจิต ด, ด้วยจิตบีบให้บีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตเป็นอย่างยิ่งนะลองกั้นลมหายใจเลยนะพอเรากั้นลมหายใจแล้วไอค้ความคิดบ้าบอๆมันหยุดไปเลย นะหรือว่าเอาลิ้นดันไปดานจะหยุดไมมความคิดชั่วๆเนี่ยจะหยุดไหมไม่หยุดเอาลิ้นดันไปดานจนกว่ามันจะหยุดหักดิบกันไปเลยแต่ถ้าเราคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ น, นะคิดเรื่องชั่วๆอยู่เรื่อยๆ น, น, นะคุณจะเป็นโทษนะมันใช้วิธีหักดิบไปเลยไวยงั้นอันนี้คือพุทโธจระเลยใช่ไหมคะเนี่ยหมายถึงว่าอธิบายแล้วนะทำให้เข้าใจได้ได้แล้วนะ ถ้าถ้าเป็นพุทธวชนะภูตเจ้าก็พูดถึงขบฟันด้วยฟันตรดเพดานด้วยลิ้นคมจิต ด, ด้วยจิตบีบบังคับจิต ด, ด้วยจิตเผาจิต ด, ด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งนะคื อ, <ม> ค, อคือถ้าเป็นคําอธตมา ก, ก็คือหักดิีไปเลยค่ะคือมันจะเลิกไหมไม่เลิกฉันจะเอาให้มันตายอย่างเงี้ยประการแรกให้เปลี่ยนความคิดเรื่องอื่นซะใช่เปลี่ยนนิมิตซะะนะเปลี่ยนนิมิตเรื่องที่คิดนะถ้าเราคิดเรื่องนี้แล้วเราทําให้เราโกโรธเราเปลี่ยนเรื่องคิด ต้องคิดเรื่องที่เป็นกุศลได้ไหมคะอ่าใช่ใช่เพื่อทําให้กุศลเกิดเราคิดเรื่องที่เป็นกุศลค่ะประการที่สองให้เห็นโทษของกุศลนั้นให้เห็นโทษของอกุศลที่เกิดขึ้นในชิวของเราใชเ่เห็นโทษเพียงแค่เอาเอ า, เอาต้องเอาตามที่ท่านได้พูดในตอนต้นรายการเท่านั้นหรือเปล่าค่าที่เป็นซากาซากสุนัขซากคนมาแขวนที่คอ่องชาหนุ่มหญิงสาวใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พุช้าอายกตัวอย่างให้ฟังค่ะอืหลังจากเห็นโทษแล้วให้อ่าก็ให้ละ นะถ้าไม่ได้ก็เลิกทําสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นนะไปคิดเรื่องที่เป็นกุศล<ะ>นะอย่าเพิ่งระลึกถึงก็คือเหมือนเปรียบเหมือนกับคนมีตานะไม่ต้องการเห็นรูปก็ปิดหลับตาซะหรือีเหลียวมองไปทางอื่นเสียคะ่นะเพราะฉนั้นเราก็ไปทําเรื่องอื่นนะมันจะไม่เหมือนกับข้อแรกตรงที่ว่าข้อแรกนะอาศัยนะิมิตะอาศัยนิมิตข้อแรกในพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายช่างช่างไม้ที่เขาใช้ลิ่มสลักอันเล็กนะตอกโยกลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้คะ่ะอืม ส่วนอันที่สามนี่ก็คือเหมือนกับเราเรามองดูตรงๆอยู่เนี่ยเราก็ไปดูที่ทางอื่นจิตเรามี อ, าอกุศลอยู่เนี่ยเราก็ไปอุเบกขาซะโดยไม่ต้องใช้อินิมิตก็ได้อืมค่ะถัดมาครับท่านคะถัดมาก็คือว่าเอาเปลี่ยนแง่มุมที่มองซะเปลี่ยนแง่มุมที่มองนะถ้ามันมองมุมสมมุติเด็กพูดมากอย่างเงี้ยโอ้ยเด็กพูดมากมันนำคาญใจเราเออเราอาจจะมองมุมใหม่ก็ได้เออโต้ขึ้นมาอาจจะเป็นนักกฎหมายที่ดีอย่างเงี้ยเราคลายความกังวลในจิต ข, ของเราไปได้อย่างค่นะอืม แล้วสุดท้ายให้หักดิบหักดิบเลยอืหักดิบคือหักดิบคือเอขบฟันด้วยฟันนะจดเพดานด้วยลิ้นคมคจิต ด, ด้วยจิตบีบบังคับจิต ด, ด้วยจิตเผาจิต ด, ด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งในวิธีที่อาตมาใช้นะเคยใช้ก็คือกั้นลงให้ใช้อย่างไงมันก็ดับไปแน่นอนค่ะถ้าอาจารย์คะทีนี้ เ, เวลาใกล้จะหมดก็เป็นอันว่าสรุปเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมว่าถูกต้องมีห้วิธีนี้เท่านั้นเอง นี่เป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่บนโลกปะปนกับคนอื่นแล้วเราจะมีอาการที่ถูกกระทบจนทำให้เราเกิดความข้างแค้นมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่มีทุกคนล่ะค่ะนะคะก็จะได้นำเอาไปใช้กันอันนี้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าทีเดียวนะคะโดยพุทธวจนะที่ท่านเพรียบุญนามาพูดให้ง่ายเข้า พระอาจารย์เิบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศซค่ะเรามากราบในมหการขอบพระคุณท่านด้วยกันนะคะในมสการมค่ท่านคะเจนพานค่ะเท่านฟังค่ะสําหรับรายการสันนิษฐาสนทนาเราจะกลับมาพบกับท่านอีกในวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อไปนะคะธรรมะที่นํามาให้กับท่านนั้นนอกจากจะทําให้เราได้รู้ว่าโอ๋ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านสอนอะไรไว้บ้างสิ่งที่ท่านสอนนั้นยังนําเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตของเราได้ ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตทีเดียวค่ะแล้วเราจะพบกับความสวัสดีกับการปฏิบัติตามนั้นใครที่เริ่มพบว่าโอโหคำพระพุทธองศักดิ์สิทธิ์อยากจะท่องเลือกเอาบทที่เป็นคาถาประจำตัวเลยเป็นพุทธวัจนะขอหนังสือมานะคะที่022690006มึงคนรบอกว่าโทรศัพท์ไม่ทันออกแรงหน่อยดีไหมคะไปวัดนาป่พงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ลาลูกกาคลองศิงนะคะไปกราบขอจาก พาจารย์คือกลิปโซติพโลซึ่งท่านได้ทำหนังสือพวกนี้มาแจากพวกเราเลยค่ะวันนี้เราลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะผู้ท ว, วัสดีค่ะ